สิกขาบทที่เก้าถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุณีผู้เทอุจาระหรือปัสสาวะน้ำลายอยากเยื่อหรือของเป็นเดนบนของเขียวณนะที่ไหนตอบทรงบัญญตัตนณกรุงสาวัตถีถาม ทรงปรารบใครตอบทรงปรารบภิกษุณีหลายรูปถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปเทอุจาระบ้างปัสสาวะบ้างน้ำลายบ้างอยากเยื่อบ้างของเป็นเดนบ้างบนของเขียวในสิกขาบทที่เก้านั้นมีหนึ่งพระบัญญัต บรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตห6สมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐาน6สมุดฐานและ